อจาจาโยมนองหนวันนี้เป็นวันที่สามสิงหาคมทรงกับบันสอนกรรมฐานวันที่สามพอดีถา้าเสียงวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะจบา้าสิบทีอเปล่าถามมันแข็งสําหรับวันนี้ก็จะจะไดนน้นําดาญาติโยมพุทธบริษัทให้กรรมฐานด้านเบ า, บา สองคราวที่แล้วมาเป็นเรื่องของสุสูรดาบันแต่ว่าวันนี้เอากันแบบง่ายๆแบบกบารนโยบยภูมิโดยเฉพาะอย่างนี้วิธียยปฏิบัติกัรนยบยภูมิมีหลายแบบแมีหลายตัวอย่างถ้าว่าเอาหลายเรื่องมาคุยกันทุกท่านก็จะฟังยากจำจำยาก ก็ขอนำเรื่องเก่ามาพูดคือเรื่องสร้างสมบัติ <c oughs> ทิตาเทพบุตรทัทงนี้เพราะว่าหวงจ่าโจ้ตัางหลายที่มาใหม่ใหม่ก็ดีเก่าก็ดีไปแน่นักนะฮะ <c oughs> บางคนก็นั่งหลับบางค น, นง่วงวางคนที่มาใหม่ก็ตามคนที่มาเก่าก็ตามทุกคนก็มีบาป มนเมื่อเรามีบาปเขาบอกเราแล้วว่าคนที่มีบาปต้องไปนรกแล้วคนที่มีบุญไปสวรรค์แล้วว่าคนที่ไปไปสวรรค์แล้วทั้งทั้งที่ไปเทวดานางฟ้าพระมทั้งหมดเวลานี้ที่ไม่มีบาปไม่มียังมีบาปติดตัวอยู่ทุกท่านแล้วไปได้ยังไง ก็ต้องหาวิธีไปทั้งทั้งแถวมีบาปวิธีที่ไปก็ต้องดูตัวอย่างถ้าจะพูดอธิบายให้ฟังเฉยจะยาว เ, เกินไปยากยนจะทำคัญให้ดูตัวอย่างบุคคลมีท่านท่านหนึ่งสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเทศน์บนสวรรค์ท่ น, นดาวรุงสุเทวโลก ในลานั้นเทวดานางฟ้าพรหมทั้งหมดที่ทราบข่าวว่าสุเดวะสมาาสมาธ菩萨เจ้าของประเทศต่างคนต่างก็มากราบทรัพ์เพื่อต่อบุญบารมีในช่วงนั้นก็มีท่านเทวดาท่านหนึ่งเป็นเทวดานักเบตตาเมื่อฟังเทศจะองค์สุเดวะสมมาสัมพุทธเจ้าทุกขูที่หนึ่งก็เข้าใจ <c oughs> ก็เหาะไปในอากาศอากาศไปพอเอ่ยไปเจ้จะหงมั น, มมมนใครยังไม่ทราบขาวพระพาทาประเทศบ้างเวลานี้พระพุทธประเทศที่บรรดุมลศิลาอาจให้ทุกคนไปฟังเทศต่อบุญบา ร, รมีเทว ด, ดาทุกองค์มาทราบก็ไปก็ ม, มีมนันหนังหนึ่งแล้วก็ว่าเจ้าของทําเฉย เมื่อเข้าไปใกล้พิมายก็เห็นท่านเห็นว่าท้าการปราชญ์เห็นว่าที่มันเหล่านี้มีความเศร้ามองหนึ่งอาการที่สองเจ้าของเรื่องทิพยเศร้ามองก็ทราบว่าเทวดาเจ้าของพิมานนี้จะต้องตายพันเจ็ดพันความจริงเทวดาเจ้ า, า, จาของมัมนมีนามสุปฏิทิตาที่ประมุิท่านสุปฏิทิตาที่บุรุคนนี้ ไม่เคยสร้างความดีในสมัยที่เป็นมนุษย์ในกระดานี้เป็นมนุษย์ถิ่นหา้าทุกประการขาดหมดธรรมะที่ดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าทรงสอนขาดหมดไม่มีอะไรเหลือไม่เคยปฏิบัติแต่ว่าพอจะตายใกล้จะตายนี่คือองค์สมเด็จพระสงฆ์ตวัดจิตสภาคคือพระพุธเจ้านิดเดียว เขาก็ไปเกิดบนสวรร์เช่นดวเดงเทวโลกถ้าการประชาธีปหตยอย่างนั้นก็ทราบว่าเทวดาวนี้จะต้องตายอีกเจ็ดฟันที่ประกาศว่าพ้อคุณใครเป็นเจ้าของวิมานอีกเจ็ดวันท่านจะต้องตายแล้วทําไมไม่ต่อบุญบารมีอีลานี้องค์สมเด็จพระจีนสีคือพระพุทธเจา้ามาเทิดตัวที่พระโดมโพชฌนาอาัดทำไมจะไม่เไปทองเทศ ท่านสมุติทิฏาเที่บุได้ฟังก็มองหนูตัวเพียงเครื่องทิพสเศามองตามตำดาทางนางฟ้าเถวดาวทางไหลเครื่องทิพจะไม่เศร้ามองจะผ่องใสเสมอไม่ต้องซักไม่ต้องย้อมถ้าเครื่องทิพยเศมองแสดงว่าต้องจุดติรือตายอาการดีสองมองเงือเงือไหลจะรักแร่ ตามธรรมดาเทวดานางฟ้าไม่เมื่อเม่อหลายจรักแรกจะต้องตายเหมือนกันในเมื่อจะต้องตายอาศัยใจที่เป็นทิพย์ก็อยากจะทราบว่าถ้าเราตายจากความปเป็นเทวดาเขาพูดเขเขาพูดสธรรมดานะตามธรรมดาเทวดาตายในเรืจจ่ตุริกเขาขพูดแบบธรมธรมดาธรรมดาเราเข้าใจง่ายๆ ถ้าตายจากที่เป็นเดวดาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ทราบว่าเพราะอาศัยในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นคนไร้ศีลไร้ธรรมไม่มีศีลด้วยไม่มีธรรมด้วยไม่เคารพความดีทุกอย่างแต่ถ้าว่าก่อนจะตายต้ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทุกเวทนานักเพียงแค่ดิดเดียวก็มาสวรรค์ได้ ในเมื่อถ้าตายจากเทอดจากความเทวดา บ, บาปเก่าก็จะทวงคืนอันดับแรกจะลงอเวจีมหมามรกุกอดหลังจากได้กำมาสุนทรบดิวานสี่ขุมจะได้กำมานรกุกขุมด้วยนรกกีกี่ขุมไปหมดเบลต์มีกี่ประเภทไปเป็นหมดอสุรกายเทไรสนสัตว์เกินฉันเทไรไปหมดถ้าทําบาปครบถ้วน นอกจากนั้นก็จะไม่สัตว์เป็นสัตว์พิเศษที่เป็นแรงห้าร้อยชาติเป็นกายห้าร้อยชาติเป็นสุนัขบ้าห้าร้อยชาติคนจากนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นคนเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติเพราะเศษกรรมที่เขาทําบุญกันเห็นแล้วแกล้งทำเป็นไม่เห็นเป็นคนหูโง่ห้าร้อยชาติ ถ้าเส ร, รรมที่เสริทฟงแล้วดีแล้วว่าเขาทาบุญกันเขาคุยธรรมา ก, กันเขาฟังเทศกันดีนแล้วแกล้งทำเป็นไม่ได้ยนินเป็นคนง่อยห้าร้อยชาติว่าค่าสาธิชีวิตมารู้สึกตัวแบบนี้ก็ตกใจพอา ก, าจกท่านอาจารย์บอกท่านอาจารย์อาการยจารีฉันทาตายจากความเบื่อหน่ายจระบา่างนี้ พรท่านเป็นผู้เ่วยเถอะถ้าจารยจารีก็บอกว่าเขาไปเจ้าเขาไปเทวดาเธอไปเทวดาเราไปเทวดาเท่าเทียมกันฉันช่วยได้ไม่ได้คนที่ช่วยได้ให้มีคนเดียวคือพระอินทร์นนายของเราก็พากันไปหาพระอินทร์ในเมื่อไปถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็บอกว่าฉันก็แค่เป็นนายเทวดาจริงแต่เทวดาไปแค่ไปแค่เทวดาเหมือนกัน ก็มีองค์หนึ two, ่งที่ช่วยได้ถาองค์นี้ช่วยไม่ได้ก็หมดกันนั่นคือพระพุทธเจ้าพระอินก็พาเทวดาทั้งสองไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็กัดพระได้ทรงทราบพระเจ้าบก็พาิจารณ์นะว่าถ้าแต่ฐาคตเทศอริธรรมอยู่เทวดาอนี้จะโคตรอไบร์ฟูไหมก็ทงงาราบว่าไม่คนเพราะไม่ที่ถูกใจ ถ้าเป็นในเทศอุณหภูิใจจะสูตรจะเป็นที่ถูกใจเทวดา อ, องค์นี้จึงหยุดเจ้าเทศอวิธรรมโคราวให้อุณหภูมิดวงใจจะสุดพจบเทวดาพระพิทธเจ้าก็เป็ น, นโสดาบัน <c oughs> พรนน บ, บัยภูมิก็ลงความว่าเอาเรื่องสัญนๆมาพูดหนึ่งเรื่องถ้ามันไม่พอดีก็เวลาก็พูดสองเรื่อง <c oughs> แต่เสียงนี่จะไปไหวไป่ไหวไม่ทราบในเรื่องนี้ก็จะประเดน็นได้ว่าสุปติทิศะที่บุตรในกายก่อนนี้เธอไม่เคยรัาากษาแม้แต่สินห้าชิ้นหนึ่งก็ไม่มีธรรมะก็ไม่ปฏิบัติตยองเคารพทานก็ไม่เคยให้ไม่เคยตั้งใจรัาากษาความดีฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตาย ถ้าสัตว์ก็เอาลอกกอาักทรัพย์ก็เอาก็คิดพฤติกรรมก็เอาม า, าสาวบายก็เอาจึงสลาเมไรก็เอาทุกอย่างที่เ็าเรียกว่าความชั่วทำพวกชั่วทุกอย่างแต่ทำไมจะไปเป็นเทวดาได้ตอนนี้เ็การเจนียมตา ย, ยาโยมนะเขาทำเนี่ยเพราะว่าขณะที่เขาแก่ลงไป เาป่วยไข้ไม่สบายใกล้จะตายมีทุกข์เกินามากก็มีพัญญามีบทิดามีค้าทาหญิงชายนั่งล้อมอยู่เขาก็คิดในใจว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ของเราทั้งหมดเขาสงสารเราทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาทุกข์เกิดเรศนาไปได้เราต้องทนทุกข์เกยดามแต่ผู้เดียว เวลานันป็นสมัยพระพุทธเจ้าทรงนั้นพระพุทธเจ้าก็ตกเขาก็นึกถึงพระพุทเจ้าอกตามธรรมดาพระพุทธเจ้าจะเมตตาไม่ได้ว่าใครจึงตั้งใจที่ว่าเวลานี้บุติดาวสามพระบรรดาข้าทาจินชายชาตสมัติมาถงแล้วทีเราหาว่าเรื่องเกิดจะเป็นมหาเศรษฐี ไม่สามารถจะเลิดเรื่องทุกข์โวยนาภาวนาเราได้เลยเขาตั้งใจนึกถึงองค์ทเประจอมตาคือพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้ามาช่วยปลด้หายให้คนทุกข์โวยนาเขาหายป่วยให้ขณะที่เขานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเงเขาก็ขาดใจตายอาศัยนึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเดียว เิดเดียวแล้วตายเขาก็เป็นเทวดาปรรดาชนดาวหนึ่งสติวโลกนีมีมรรทองคำไม่ได้อยู่เป็นดาวฟ้าหนึ่งพันบริวารอาศัยที่เป็นคนมีความประมาทเมื่อเป็นเทวดาวก็เป็นเทวดาวประมาทไปสร้างความมีต่อในเรื่องของท่านนะท่านี้มาเรื่องของเราบรรดา ญ, ญาติโยมผู้บริสัททุกคนต่างคนต่างรู้ว่าทุกคนมีบาป ก็ใครว่าไปมีฝันมีไหมนี่เออนี่มีบาปหรือมีเฮาเห็นบาปนะบาปนี้ในกันทุกคนมาขอยืนยันไม่บาปใหญ่ก็บาปเล็กค่ายุงก็บาปค่ามดก็บาปค่าเลนไลก็บาปค่าปลาก็บาปค่าหมูก็บาปค่าเป็ดค่าไก่ก็บาป ถ้าก็ฆ่าแช่งข้ามา ก, ก็าบาปโกหกก็าบาปข้อนี้น่าคิดนะเห็นไหมหมุสาวาทาวีรบมนีเห็นไหมก็เป็นว่าบาปก็ต้องมีด้วยกันทุกคนเอ้ยถ้าหาว่าเราตั้งใจปนิภานถ้ามันไปปิิภานได้จริงๆก็ไม่ใช่ของแปลก เนความดีที่เราก็ต้องป้อง ก, กันแล้วก่อนถ้าบัเอิญคนใหม่จิตใจยังไม่ใหม่หองนรนิพานก็ต้องบังคับจิตใจของเราให้กันบาปไว้ถึงแม้ว่าจะตายแล้วก็ไม่ยอมลงนรกเพราะนั่นเลยมีบาปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพวกเราทั้งหมดขี้ยาอยู่ทั้งหมดที่นั่งอยู่นี่ ต่างคนต่างมีความดีมากกว่าสุปฏิจิาเชพบุตรมากเพราะสุปฏิจิาเชบุตรไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังเทศและเคยจเจริญภาวนาญาติยาโยมทั้งหมดที่มานั่ที่นี่เคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยฟังเทศคเคยเจริญภาวนา โดยเฉพาะใหญ่สังฆทานบุญใหญ่ทํากันแล้วสังฆทานในอย่างน้อยก็เป็นเกิดเป็นเทวดาชั้นที่ห้าเทวดาต่างฟ้าชั้นที่หนะ้านะเทวดาก็ได้ต่างฟ้าก็ได้เป็นมุลใหญ่แต่ว่าสุปฏิสตะไม่เคยทำํำนี่หนึ่งเขาแพ้เราการที่สองถ้าเรานึกว่าเรามีความดีแต่ประมาท ไม่ป้องกันกำลังใจไว้เพื่อให้สรงไว้ถึงความดีตายเพลอนิดเดียวลงมรกได้เป็นกันตัวอย่างพระนางมณิการไม่ได้สร้างความชั่วแต่นึกว่าชั่วเข้าใจว่าชั่วแต่ความจริงไม่ได้ชั่วตอนดึกรู้จะไปปัสสาวะเท้าฝ่าใบเตะไปกระทบเท้าสาสามีเข้า ก็ร้องไห้เสียใจชื่อทําทความชั่ว ท, ทั้งที่ไม่ใช่ความชั่วภรรยาก็ปลอบแล้วว่าให้อภัย ไ, ไม่มีโทษแต่ว่าเวลาจะตายใจไปเกาะจุดนั้นจุดเดียวที่ว่าเป็นความชั่วเมื่อตายจากความเป็นคนแต่งตัวเป็นนางฟ้าเต็มยศแต่ว่าเท้าฝาต้องไปเหยในมนุษย์ติไฟมนรกแค่ตาตุมแค่จิตเท่าจิตวันมนุษย์ใช่ไหม เรื่องทางใจนี่ต้องระวังนมากให้เมื่อเราระวังทางใจก็ระวังทุกอย่างทั้งทั้งที่มีบาปเราก็ต้องหนีนระกด้วยทางใจเหมือนกันนั่นคือนึกถึงพระพุทธเจ้าวไว้พุทโธอัปปามานูคุณพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ฉันลักสุปฏิติตาเทพบุตร เขานึกถึงพระพุทธเจ้าปรเดี๋ยวเดียวแต่ว่ามันตายทั้งทั้ ท, ที่กำลังนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่นะเขายัางพ้นจากนรกได้ไปสวรรค์สาหรับพวกเราเอาให้เราแล้วกันตอนก่อนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าดูพระรุปของเรกันนะถ้าใครไม่ได้มโนนิธิถ้าได้มโนนิธิก็ไป่ต้หัวไปสิผ่านเลย ไปไประเดี๋ยวหนึ่งกลับก็ได้ไปข้าวมันนั้นก็ได้จะลืมตอนใช้จะลืมลงมานะจะขายงานจะไปชาติหนหาก่อนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุโทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกแล้ว่าโธถ้าภาวนาได้จนหลับจะดีมากถ้าไม่ภาวนาไม่ถึงหลับปานงลางก็เลิกเสียไม่เป็นไร ตื่ใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเราพุทโธนอย่างน้อยนะถ้าจะให้ดีก็เอาอย่างนี้ก่อนจะหลับก็นึกถึงความดีที่เราเคยทำข้อหนึ่งทานการให้เราทํำแล้วทานให้กษัตริยว์เราก็เคยให้ให้กับคนเราก็เคยให้ถวายกับพระเรจะถวายสางก็ดทานเราถวายวิหารเราท้นก็เคยทํา เราทำแล้วทุกอย่างเนในเรื่องของทานทานนางสักกโสทานนางพระเจ้าทรงยืนยันว่าทานเป็นบันไดให้เกิดบรนสวรรค์นี่เป็นความดีที่เราทำอากาที่สองศีลเราเคยรักษาศีลก็เป็นปัจจัยเกิดบนสวรรค์ก็ได้บนิพพาก็ได้อากาที่สามเทศเราเคยฟัง เขามีความเคารพในพระธรรมขั้นที่สี่ภาวนาเราเคยปฏิบัติทุกอย่างความนีเราทําแล้วแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในความดีพระองค์พระเดชพระปถิบเกลือพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้สอนเราถ้าสงจําจาก พ, พุทธเจ้ามาสอนให้เราฟังเราขอจิตพระพุทธเจ้าเป็นที่เ พ, พื่อนภาวนาอหุโต ถ้ากับภาวนาพุทโธรักษาสำคัญก็ได้แล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงยาหนี้สักครั้งหนึ่งเพียงแค่นี้บรรดายาโยบุตรวิสัตถ์ถ้าทําทุกวันอารมณ์จะชินถ้าเกิด อ, อาการป่วยไข้ไม่สบายขึ้นมามันจะป่วยมากมันจะป่วยแล้วก็ตามนึกถึงความดีเขไว้ถ้านึกถึงอย่างอื่นไม่ไหวก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็พอ อย่างนี้ทุกคนแม้จะมีบาปมากสนจะบาทสกับกเท่าไรก็ตามแก้ไม่ลงนรกอย่างน้อยที่สุดตายจากความเป็นคนจะไปเกิดดาลนั่นาวฟาหรือไปสวรรค์ถ้ากําลังใจกําลังใจอย่างกลางก็จะพ้นบรโลกถ้าบัเอิญจิตใจเราไม่ติดในร่างกายร่างกายเราก็ดีร่างกายคนเออก็ดีเฉพาะเวลานั้นนะ จิตใจมันวางเฉยในร่างกายของเราวางร่างกายคนอื่นตัวท่าตต่างๆจิตใจนิยมพฏิภาณมันจะไปนิพพานดันทีนี่ไปได้นะถ้าไม่อยาเผลอนะ <c oughs> อย่าเผลอเวลาก่อนยันอนแทงที่ภาวนาก็ไปภาวนาใครเข้าไว้อ้คนนั้นไอ้คนนี้ทงว่ากูมึงเสียสีกูมึงทรมินทากูเสร็จพ้ยาโยมมัต้องจด ลงเองก่อนที่จะหลับตัดสินใจก่อนเรื่องื่นวางไว้ก่อนเวนลานี่ค่อย ใ, ใจเป็นบุญโชคคราวเอาบุญนิดเดียวได้คือว่าตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จำเปนะโดยการนี้สองนึกถึงสินที่เคยรักษาและการนี้สานึก ถ, ถึงการให้ การี่นนึกถึงวธรรมเดชนาคือเทตทิเคยฟังเอาแค่นึกถึงก็พอจำเนื้อเทศไม่ได้ไม่เป็นไรเนื่อว่าพราะที่เทศทุกร่างแบบไหนล้วเคยจำได้สักองค์หนึ่งก็ใช้ได้สัาก็นึกถึงภาวนาได้เคยภวนาถ้าอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นการกันนรกไม่ลงนรกนะ ถ้าตั้งใจจะปฏิพัน์คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทําแล้วชื่อองค์สมเด็จพระทิพย์เจ้าคือพระเจ้าสมเด็จําแต่เราต้องการสุดได้นคือนิพพานถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไรเข้าไปนิพานเมื่อนั้นจะนิปฏิพาน์แน่นอนอารมณ์ดาษญาตยมพุทธบริษัทหลายพูดต่อบไปไม่ได้ถึงนเวลาสิบนาทีหลดแรงพอดีเสียงไม่แห้งไม่ใช่หดแรงตอนนี้ไปเขาต้องปั้งใจสมาทานถึงสมาทานงอมันาน